เทียนหรือเทียนนี่ยพอจุดไม่ขิดลมพัดดับจุดไม่ขิดลมพัดดับแต่ว่าเราต้องเทียนทำเลยาะนั้นนะครับพอได้จังหวะมันจากความรู้สึกตัวน้อยๆนี่นะครับมันจะไปต่อกันที่หัวใจทันทีเพราะมันเชื่อมความรู้สึกที่รวบรวมมาที่หัวใจเนี่ยปรากฏขึ้นสักครั้งหนึ่งนะครับต่อจากนั้นเนียวิธีชีวิตจะเปลี่ยนไป น, นะครับ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 มีกเก้าหนึ่งที่เราต้องก้าวเป็นไปคือเป็นคนเหนือคนเป็นมนุษย์ซึ่งอยู่เหนือความเป็นมนุษย์นั่นคืออยู่เหนือสัญชาตญาณอยู่เหนือสิ่งที่ลิขิตมาในจีนอยู่เหนือสัญชาตญาณที่ที่คอยก่อกวนถ้าเราสังเกตดูจีนครับเราจะถูกลบ ก, กวนบ่อยๆครับ กวามราคาบ้างจากความละโมบบ้างจากความเกลียดบ้างในสุดความสุขกับกลายเป็นสิ่งที่ต้องหากันอย่างรุนแรงเพราะว่ามันหายไปนั่นเองสิ่งนีครับแต่คนไม่มีสิ่งรบกวนเมันจะไม่หาความสุขหาทำไมมันไม่หายมันไม่ได้หายไปจะหาทำอะไรเหมือนก็ว่าแหวนหรือแหวนต่าของเรายังไม่ได้หายไปเราก็ไม่ต้องหา แต่ถ้ามันหายไปนี่แน่ละ่ะยุ่งแล้วค่ะคนที่กระหายความสุขอย่างุนแรงนั้นก็เพราะว่าในหัวใจเต็มไปด้วยความหมุดหยิแในทีนี้เมื่อหาความสุขก็ต้องลงทุนหน่ะสุขไปสุขมาหาไปหามาต้องค่าแกงกันทันทีครับประดี๋ยว ตัวนี้ผมจะพูดสั้นลงนะพอพอให้จับประเด็นได้กันี้งนวะันนี้เราก็มาปฏิบัติครับปฏิบัติผมพูดคําปฏิบัติเหมือนเครื่องรางของขังมาแล้วนะช้าก็ปฏิบัติเย็นก็ปฏิบัติคือคือจริงๆแล้วมันคําปฏิบัตินี้มันมันเป็นคําพูดเท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่เรากลับมารู้สึกตัวเนี่นั่นเราก็ำลังปฏิบัติ มีคนมันจำนวนมากทีเดียวนะครับที่เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติเช่นกระเฮีนก็คือปฏิบัติพูดกับเพื่อนบอกเดี๋ยวก่อนถ้าลูกโตหน่อยกูจะเข้าวัดปฏิบัติให้มันรู้เรื่องถ้าอย่างนี้รับรองเล <c oughs> จนตายนั่หลครับเพราะยังเข้าใจผิดอยู่ต่อเวลาและสถานที่ถ้าจะต้องคำถามว่า <c oughs> ปฏิบัติธรรมะที่ไหนดีที่สุดใครคลิ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 ไม่ใช่ในฝูงคนไม่ใช่ในโรงหนังในร้านกาแฟที่ที่เรารู้สึกตัวเพราะทํางไม่รู้สึกตัวมันปฏิบัติอยู่แล้วเขา้าใจไหมครับเมื่อที่ที่เรารู้สึกตัวได้ทีนี้ในส้วมก็ได้ครับกําลังนั่งถ่ายอยู่ก็รู้สึกตัวขึ้นมานี่เนะี่ยตรงนั้นเนี่ยเหมาะที่สุดแต่บางทีหลายคนคิดว่าต้องไปปฏิบัติที่ฐานเจดีนอนไปนครศรีธรรมราช ยกกระโบนลไปขาดสติไปแตะต้นมือจนกระทั่งไปจนกลับแล้วคิดที่าไปปฏิบัติธรรมนี่คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับจอดรถทัวทอดกระถินไปโอ้เชียงรายนะครับจะไปปฏิบัติธรรมทั้งทั้งนี้ที่ที่เหมาะที่สุดอยู่แค่ปลายจมูกนะครับทำเวลาไหนเป็นเวลาที่ปฏิบัติ ด, ดีที่สุดบางคนบอกว่าเวลาเช้าดูที่สี่เหมาะจิตใจแจ่มใส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 พวกเราหลายคนอาจะยังเข้าใจผิดแต่หลายคนบางคนเริ่มจับประเด็นได้แล้วครับผมผมเริ่มมีกำลังใจขึ้นบ้างแล้วตอนบ่ายหันไปดูนอกต่างเห็นคนเดินจงกลมนั่งยกมือน่าแสดงว่าผมคงไม่เสียเที่ยวเปล่าแล้วก็เสียงแม่ค้าปลาหายไปครับตอนบ่ายนี้แม่ค้าขายปลานี่ไ ม, ไม่มีแค่น่าแสดงเราเริ่มเริ่มจับประเด็นได้แล้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 เส้นตรงนั้นเป็นผลเนื่องจากจุดๆๆมาต่อกันใช่ไหมครับวิชาอะไรครับนี้นั่ผมไดยินเพลงร้องอะไรบองๆอะไรเส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นตรงเส้นหนึ่งอ ค, ความสัมพันธ์ระหว่างสติกับสมาธิคือสมาธิเป็นผลของสติซึ่งต่อเนื่องตอนที่เรียกสตินั้นแปลว่าความระลึกได้รู้ตัว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 เพราะหน้าที่ละไม่ใช่หน้าที่ของสติเข้าใจไ้มครับแต่สติเป็นดุจทำนบเป็นหลักที่กําหนดรู้ว่านี่เกิดเรื่องแล้วต้องมารู้ตัวก่อนมันทําได้เท่านี้ครับต่อเมื่อสตินี้รวมตัวขึ้นตอบรวมตัวขึ้นมันเกิดเป็นพลังของสมาธิที่จริงอันเดียวกันนะครแต่ว่ามันเป็นสมาธินั้นเหตุที่ชื่สมาธิเพราะว่ามันเกิดตั้งมั่นขึ้นมาในจิตตั้งมั่นขึ้นมา แล้วกิจของมันคือละความซับสายของอารมณ์ของจิตจิตเริ่มไม่หมุนซับไปทางนี้สายไปทางนี้มันเริ่มตั้งกันในตัวของมันแต่ก็ยังละไม่ได้อยู่ดีครับสมมุติว่าเราโกรธจิตบรรลุถึงสมาธิมันแค่ระงับไว้เท่นั้นเองแต่ถ้าสติมันร้อนกรับโกรธเขาก็ยั่วอยู่อย่างนั้นแต่ว่ารู้ตัวแล้วว่ายั่วล้วเขาใครับแต่สตินั้นทาหน้าที่รู้ตัว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 ขันที่บริสุทธิ์คื อ, อย่างไรแล้วขันที่มีอุปาทานครอบจะไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักจะเพิกถอนกิเลสอาสวะที่แฝงเร้นอยู่ในสันดาลขำงนดสันดานไม่ได้ทุกส่วนใหม่นะครับทัาสติเปรียบเหมือนสายน้ำเล็กๆไหลามาจอก ๆ, ๆ, ๆ, ๆวันนี้ครับเอาพักเรื่องอื่นก่อนครับเรื่องที่ผมพูด ไม่สําคัญหรืออย่างไรครับผมจะได้หยุดพูดเพื่อฟังเรื่องนี้สําคัญกว่ามือสายน้ําเล็กๆหลายมาเนี่ยมันมันรวมตัวกันที่หวังน้ํานั่นเรียกว่าสมาธิที่เมื่อมันรวมตัวเป็นห่วงน้ําใหญ่ขึ้นเรียกว่าปัญญานะในชีวิตของคนหนึ่งๆนี่นะครับชีวิตส่วนตัวของคนหนึ่ง ผมจะเปรียบด้วยห้วยห้วยเล็กๆครับซึ่งเมื่อนา น, านปีเข้าน้ำที่ขังย่าขยะมันก็จะเน่าขึ้นดัง น, นั้นความรู้สึกที่หดหู่มอนหมองอุดปัดเกิดขึ้นบ่อยเพราะความรู้สึกส่วนตัวของเรานะสมมติเราทำลายไอ้ผนังเขื่อนนะครับเปิดที่กั้นระหว่างหนองน้ำกับทะเล เราะทะเลมันมีวงจรที่ใหญ่มันมีระบบนิเวศที่ที่ที่ทําทําความสะอาดตัวมันเองได้เพอะเราเปิดปับ๊บไอวงจรเล็กๆในหนองนะ้ําจะเข้ารวมวงจรใหญ่ของทะเละครับอาจารย์ครับในสุดวงจรใหญ่จะค่อยๆชําระให้วงจรเล็กๆสะอาดาครับอาไารย์ครับวงจรใหญ่นัน้นพึ่เปรียบด้วยระบบธรรมชาติทั้งหมดค ร, บระบบธรรมชาติทั้งหมดนั้นก็คือระบบที่เรารู้จัก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 ดังนั้นเราต้องตื่นตาตื่นใจนะครับเหมือนเราไปเชื้อเชิญใครมาช่วยชำระทาสีบ้านทั้งข้างนอ ก, นอกข้างในข้างข้างตาพอเขามาเข้ า, าวระตูเราปิดล็อกก็เลยเขาก็เลยทาลัวให้เท่านั้นเองถ้าเราไปเชิญเข้ามาหรือไปจ้างเข้ามาเราต้องยิน ด, ดีเปิดทุกส่วนเพื่อจะได้ทาสีซ่อมแซมดังนั้นเราต้องเชื้อเชิญธรรมชาติเข้ามาในตัวนครับเราจะต้อง เปิดเผยตัวเราออกเปิดหน้าต่างออกครับในการที่จะเจริญสติจนถึงระดับสมาธินั้นที่จริงไม่ไม่ใช่อาศัยกรรมวิธีที่ที่ลึกพิสดารพันลึกเป็นกระบวนการธรรมชาติทั้งสิ้นครับเช่นเดียวกันที่เราอยู่ในบ้านนนเราเปิดหน้าต่างทุกบานไว้ลมจะพัดเข้ามาแล้วก็พัดฝุ่นอากาศําอาับๆออกไปเองอาศัยระบบธรรมชาตินั้นเอง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 กมสตรีเข้าปรึกษาหรือกับเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ไปแอบฟังบางเอยได้ฟับคิดโอ้ยคุณมีตำแหน่งนึงอะไรยังคุยกันเรื่องทันนี้เลยบางทีผมมานั่งคุยกับเพื่อนพูกก็ไม่รู้เรื่องครับมันพูดก็เรื่องรถยนต์เหมผมไม่รู้เรื่องเลยยี่ห้อไหนะยี่ห้อไห น, ะ ม, นมันรู้ละเอียดมากรุ่นนั้นเพิ่งออกนะั้นเราฟังก็เพลินเหมือนคนอ่านหนังสือสวดให้ฟังเนะมื่เป็นอยู่อย่างนี้มันจะรู้จัก กายรู้จักจิตรู้จักรูป ร, รู้จักนามนี่ไม่ได้ครับแต่ว่ารู้จักรถเก๋งคันใหม่เสื้อยี่ห้อให ม, ม, ม่ออกมามรู้ทั้งนั้นเลยความรู้เช่นนั้นเนี่ยเป็นเป็นปัญหาในตัวมันศีล ส, สมาธิปัญญาครับหรือสติสมาธิปัญญาผมผมรวมคำว่าศีลกับสติก็ได้ยกันศีลทุกข้อครับต้องปฏิบัติด้วยสติมีคนไม่เข้าใจ ด่าฝากของบอไม่เคยสอนศีลใครไม่เข้าใจนะครับตัวสติเนี่ยคือตัวศีลเช่ น, นปานาธิบาตนะไม่ให้ฆ่าสัตว์ตักชีวิตขาดสติแล้วมันจะรักษาศีลอะไรอยู่จริงไหมที่จริงตัวศีลเป็นข้อบัญญัติแต่ตัวปฏิบัติคือสติเข้าใจไหมครับดังนั้นเมื่อเราพูดเรื่องสติแล้วเราไม่ต้องพูดเรื่องศีลอีกครับ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 จะทให้คนอื่นเป็นทุกข์โดยไปแย่งของเขามานะหรืออยากไปพูดเท็จทำให้เกิดคลาดเคลื่อนในความจริงเกิดความเสียหายหกับเขาเมื่อเขาทำว่าเราเราก็เสียเสี ย, ยใจใช่ไหมครับนี่เป็นเรื่องทางสังคมศีลห้าศีลแต่ว่าถ้าเราเริ่มที่ตัวสตินีครับมันก็ครอบคลุมเรื่องศีลทุกประการไว้ขอดื่มสุราเนี่ยเล่าอยู่ในขวด มันเมาไหมครับขวดเมาไหคนเนี่ไม่ดื่มเหล้าก็ไม่เมาแต่ว่าพอเหล้าเข้าในปากคนเมาทันทีเหมือนดังนั้นถ้าราวใดที่มันยังรู้สึกตัวอยู่ถึงจำเป็นนี่ต้องดื่มนมันก็ดื่มพอประมาณเช่นใช้ผสมยายผมดื่มเนี่ยแต่ใช้ผสมยาเพราะว่าอายุมากขึ้นมันต้องพึ่งยาเหมือนกันเ่้นยากแก่เมื่อยขบ พวกยาดองอะไอ้นี้ถ้าเราดื่มอย่างนี้เขาไม่เรียวผิดศีลจริงๆคุ พ, พี่เจ้านุยาตนะพิสูจน์ดื่มเหล้าได้ที่เข้าไปผสมเป็นยาในดีกรีที่ตำ่ำแต่เราพูดอย่างนี้ไม่ใช่หาเรื่องไปดื่ ม, <c oughs> มนะเ่อมีสตินะครับ การฟังก็ดีการคิดก็ดีจะมีขั้นมีตอนแต่ถ้าคนขาดสตินี่มันจะมันจะไม่มีขั้นตอนครับผูดภาษาฝรั่งว่าทําอะไรนี่มันจะ ม, มีกรรมวิธีนี่ยมันจะไม่สนใจมรรคกับวิธีแต่มันตะกร้ตะกรามผลเข้าใจไหมครับเรามาดูแนวะวิจีชีวิตของคนปัจจุบันนี้นะครับผมคิดว่าอันตรายไม่ใช่ น, อน้อย เรามีลูกสักคนหนึ่งพ่อหรือแม่เนี่ยอยากจะอวดลูกกันครับเข้าไปในห้างสินค้าจะซื้อฟุตบอลให้ลูกก็ควักเงินจ่ายลูกก็ชอบนะลักพ่อมา ก, กนะพ่อเอาใจนะซื้อเสื้อตัวหนึ่งแต่เราคุณจะตรองดูนะครับเด็กคนนี้ค่อยๆโง่ทุกทีทุกทีคือมันไม่รู้ว่าเสื้อนี่ออกมาจากไหนมันคิดว่าเสื้องอกกันได้ที่ตู้ในในห้างสรรพสินค้า เด็กบางคนคิดว่าแตงโมนี่ออกมาจากตู้เย็นครับมันไม่รู้มีคนหลายร้อยคนมากที่ร่วมในการปลูกแตงโมให้จังนครับหรือเสื้อตัวหนึ่งๆเนี่ยมีตั้งแต่ช่างทอช่างฟอกช่างซักช่างเย็บช่างตัดช่างลังถักลังดุมคนผลิตกระดุมคนออกแบบกว่าสําเร็จเป็นเสื้อเนี่ยไม่ใช่พ่อมันคนเดียวทําครับทีนี้พ่อมัอยากอวดลูกควักเงินซื้อ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 ทำไมแกไมมานะทำไมไม่โผลออกมานะั่นหนังก็มังจะจฉายนะแต่เราลืมนึกว่าเพื่อนจะมาแต่เมื่อมันมาเท่านั้นมันจะมาก่อนมาไม่ได้เข้าใจไหม <laughs> แต่การเรียกร้องเราในะลาก็ว่ามึงเคาะมาสิอยู่ดีก็โผล่เปลี่ยนกันมาเลยจะได้ดูหนังทําจริงๆการมาของเพื่อนมันมีโซลูชั่นของมันคือก็อาจจะกําลังเดินมาที่น้อยแต่ยังไม่โผล่มันมันต้องมา เมื่อมันมาคือมันจะมาก่อนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้แต่จิตใจเราเรียกร้องอย่างไร้เหตุผลจริงไหมจริงไหมครับสงสัยเคยมีประสบการณ์นะถ้าอย่างนั้นเรื่องมนุษย์เนี่ยมันเมื่อมันเข้าไปในอารมณ์แล้วมันจะไม่มีเหตุผลเลยแล้วทุรนทุรายแล้วโมโหเพื่อนด้วยเข้ามาแล้วยังนั่งด่าซิหน่อยที่จริงน่าจะขอบใจก็าขอบคุณมากที่มาทันเมันไม่อย่างนั้นมันซัดเลย มันมันตกเป็นท่านอารมณ์และร้ายเหตุผลเข้าใจไหมครับอืมทีนี้ถ้าคนที่ถูกสอนให้ใส่ใจในกรรมวิธีหรือมรรควิธีนะครับมันไม่จาเป็นต้องใส่ใจผลเลยคือผลออกมาจากเหตุคุณนั่งรอไม่มาคุณอาจจะตัดสินใจาไม่ต้องดูก็ได้หนังรอเพื่อนสั่งกาแฟาถ้วยใหม่มานั่งกับเด็กเท้ารอเล่น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 ฟังดูแล้วตลกนะแต่ว่านี่ เ, เรื่องจริงเพราะในการรอคอยนะมันเหนื่อยมากๆเลยนั่งรอเพื่อนดีเข้าดูหนังเนะี่ยการรอคอยที่ดีที่สุดคือไม่คอยไปแล้วนั่งเฉยๆมาก็มาเองไม่มาก็ไม่มาเราเลยสบายเข้าใจไหมครับแต่ว่าโดยความเป็นจริงนั่นคือการรอคอยแต่รอคอยชนิดไม่คอยจริงไหมผมไม่ได้พูดเล่นนะมันมีง่ามมุมชั่ว เมื่อเราคอยด้วยใจกระวนกระวายนั้นตอนนั้นเราลำบากและเป็นทุกข์ครับชีวิตหนึ่งครับเรากำลังรอคอยที่จะถึงวันหน้าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นผู้เท่าผู้แก่แด่ครับแต่วัารอจะให้แก่จนก็ต้องกระวนกระวายี่ไม่ได้วันหนึ่งเราต้องตายแน่ครแต่พอรู้ว่าตัวเองต้องตายในเกิดกระวนกระวายขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ วิธีรอรอคอยความตายความแก่หรือความร่ารวยหรือความยากจนที่เคยที่ดีที่สุดคือไม่รอมันเหมือนคุณเดินทางไกลไหยครับกลางวันศึกสาเยเป้าหมายคือยอดเจดีย์บนภูเขาข้างหน้าถามว่าวัดนั้นอยู่ไหนลุงชาวบ้านบอกโน่นคุณเห็นมันเนี่ยริบเรียงใจเสียไปแล้วคือมันเห็นแล้วไกลามากครับแต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนนะเพื่อนก็บอกว่าเดินทีละก้าวเดี๋ยงก็ถึงเอง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 เข้าใจไหมครับแต่ถ้ามีโดยรู้สึกว่ามีนั้นคือความยึดถือภาษาภาคใต้เขาเรียกว่ามาพร้าวตื่นดกเศรษฐีพึ่งผุดเขาเอ้คือพอรวยรู้สึกตัวรวยในะเดียวก็พังแล้วแต่ถ้าใครที่เป็นคนรวยจรงิงๆนะครับเขาก็ายังมีชีวิตเหมือนกับสมัยยากจนสิปีก่อนผมเคยคุยและรู้จักกับ คุณป้าคนหนึ่งชื่อป้าโป้หวยอาจารย์คงรู้จักครับคนนี้รวยมากๆเลยแต่ว่าผมเห็นแก ก, กินข้าวกับปลาแห้งทุกแทบจะทุกมือ้อก็มีใครไปถามไม่รู้ว่าทําไมทําตัวอย่างนี้แล่ะป้าเขารวยออกแกบอกมัก็ทําอย่างนี้มันตั้งแต่จนๆนั่นแหละเดังนั้นแกไม่ได้รู้สึกว่าความรวยจะเปลี่ยนแปลงอะไรชีวิตได้าจะมีอะไรออ๋อ ดังนั้นเราเรามาเรียนรู้ศิลปะแห่งการรอคอยเช่นเดียก็เราเติบโตขึ้นมาจนถึงเวลานี้นะครับมันเป็นมาเองหนูอายุเท่าไหร่ครับนี่ยตอนนี้นั่งตนทถนยอายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดเมื่อเมื่อห้าปีก่อนอายุเท่าไหร่ครับเมื่อห้าปีก่อนอายุเท่าไหร่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 ดันนรรอองนั้นศิลปะการรอคอยนั้นที่ดีที่สุดเที่ยวไม่ข อ, อยนั้นคือปล่อยให้มันเป็นไปเองระวังให้ดีนะครับคําพูดมันเฉียวกันมากๆเลยระวังปล่อยให้มันเป็นไปเองคือนอนทอดหุยทั้งวันแล้วก็ในท่สุดก็รู้ธรรมะเองเอาคิดไว้อย่างนั้นเรียกปล่อยเป็นไปเองตามธรรมชาติปีหนึ่งผมไปบิณฑบาทกับเนรครับ เน้นเขาเดินตามหลังผมอย่างเนี้ยอผมแปลกใจมาถึงอีกวันหนึ่งเขาบอกผมจะไปรออยู่ก่อนนะผมก็มาเน้นนขยันดีนิสัยผมจะดีขึ้นคือเขาตื่นก่อนผมทั้งนาดออกไปรอบินบัตไปรอที่หน้าประตูวัดแต่ผมเดินมาใกล้ทางนั้นรู้สึกได้กลิ่นบุหรี่ครับผมนึกออกไอ้เน้ น, นแอบมาสู่บุหรี่นี่เองทำทีนิสยันซะอีก ผมก็ได้เตือนว่าการสูบบุหรี่นี่มันทําลายสุขภาพ เ, เขาย้อนผมว่าอาจารย์เคยสอนผมว่าให้ทําตามธรรมชาติก็ อ, อย่างนั้นก็บอกผมธรรมชาติคือชอบสูบบุหรี่ผมเลยพูดไม่ออกคือแกแกอ้างเช่นนี้แล้ว ม, ม, มันไม่ต้องพูดกันแล้วผมเลยพูดนิดเดียวว่าทรรมชาติเนี่ยนึงก็จิบหายลูกเดียวคอยดูธรรมชาติอย่างนี้ ธรรมชาตินี้เป็นไปเองนะครับร่างกายจิตใจของเราก็เป็นธรรมชาติห น, หน่อไผก็แทงหนองอกมาเรื่อยๆตามธรรมชาติของครับฝ้วก็ตกฟ้าก็ร้องพัดลมนี้ก็พัดตามธรรมชาติก็ไปมีไดานาโมขึ้นไปทำตรงนั้นเข้าตรงนี้เดี๋ยวก็พัดตามเรื่องตามราวตามเหตุตามปัจจัยเข้าใจไหมครับเป็นไปเองโดยธรรมชาติฟันของเราก็ผุไปตามธรรมชาติ คนอายุประมาณสี่ถึงห้าสิบฟันก็ถานกิ่กวคล้ายคู้